ธรรมะของติฆาเป็นธรรมะทันเสมอเป็นธรรมะที่อย่ยงางกายวาใจของบุคคลผู้นำไปปฏิบัติแต่รับความสว่างสวายความสุขความสบายเสียรติเย็นภายในใจธรรมะเป็นโอชาล สู่งสำคัญยังบุคคลผู้เขามม้าถึงธรรมะจะไดรับความสุขความอัศจัิธรรมะามันคือไตรจากนั้นมีมากมาหลายอย่างจนไม่ฟ้าแ ม, ม่ คือพวกเราจะที่นิติแกแน่ให้ทั่วถึงแต่เมื่อย่นลงมาให้ตั้งที่ศึกก็ได้เจอทางศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเมื่อเป็นทายนำพาใจจิตของบุคคลผู้ศึกษาผู้กฏิบัต ในใดถึงสึ่งที่สุดของธรรมะโดยมีมโนปิภานธรรมะที่ว่าเมื่อมาตายกองเมื่อเย็นลงมากระดายเฉือนสมาธิปัญญาหรื อ, น, อ น, น้อมเข้ามาสู่ตัวของเราก็คือตายลาจใาจ ผู้ที่ในทรงแต่เสีจิตคิดไปเรื่องอืน่นมีะติเห็นีิชชาในเรื่องากายาจาใจใจของตนอยู่ะมัำเสมอจะรู้จักทรรมะเห็นทรรมะเกิดขึ้นจักเนของตนเพราะความสุขทุกข์ดีชั่วได้เสียต่างๆ แม้ได้อยู่กับดินฟ้าอากาหรือตำหลักตำราแม้ได้อยู่ในสถานที่อื่นใดทางนั้นไม่เหลือปัญหาเกิดขึ้นแทบเผาตายใจของบุคคลให้ได้รับความเกลียดเอดก็อเกิดขึ้นจากการกระทการพูดการคิดแม้ได้เกิดขึ้นมาจากสถานที่อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้น ทางสำลัาศาสสายซึ่งเป็นสายตรงฆ่าเรียกว่าธรรมะเรียกว่ากุศลเรียกว่าบุญก็จะต้องสำลักายราจาจิตสำลักสัญญ า, าอารมณ์ที่ทำให้เกิดความกาหนัดบินดีเกิดความรลุ่มหลงเกิดความแปรปน แห่น้อยลงไปใจของมนุษย์เราเมื่อได้รับความสงบสงบัดมากเท่าไหเท่าไรจอยวางสัญญาอารมณ์ได้เท่าไรบุคคลผู้นั้นจะมีความสุขของใจมากขึ้นถ้าหากใจวุ่นวายกังวลรุนแรงมากเท่าไรใจของบุคคลผู้นั้นก็เป็นจ่าทุกข์ ถึงจะมีสมบัติพักฐานบ้านเรือนใหญ่โตระหโฐานมีคนใช้มากมายต่ายกองมีอุปกรณ์ต่างๆเพียงพอบริบูรณ์ในการไปมาหาสูกหรือการอยู่การกินการหลับานนการนอนต่อตากาจิตใจแฝงใส่ลึงแฝงซึ่ง ก า, า, ารลำพางไม่มีการพักผ่อนหรือหยุดไ้้บุคคลผู้นั้นจะไม่มีความสบายจะไม่มีความสุขจากตัวของตัวเมื่อผู น, นั้นรู้จักวิธียับยั้งวิธีสงบวิธีรักษาจิต ในคิตจงไปในอารมณ์สัญญาซึ่งเป็นใจที่เราใส่ต่ำิดหาอุบายที่ดีบำรงจิตของตนได้รับความสงบสงบหรือคิตรงหา้างแก้ไขสมรัษาสังใจของตนสม่ำเสมอคอยจิต รูเห็นตามเป็นจริงในเหตุผลที่เป็นท่องเต็มได้รับจากความทุกข์เกิดขึ้นมาจากอันนี้ความทุกข์เกิดขึ้นมาจากอันนี้แยมไปจ่างในจิตในใจธรรมะเรื่องความทุกข์ท้าใจที่จะติดข้องที่จะปุงแต่งไปนุ่จิตให้น้อยลงไปหรือให้เหียบหายไปบรรุงทรรม ระงัข้องใจควารู้ความติดข้องใจด้านปัญญาเพื่อสำลักเพื่อแก้ไขเพื่อความรู้ความเห็นไปจางชัดเจนภายในใจมากขึ้นเท่าไรผู้นั้นจะรับความสุขใจให้มีบคูณขึ้นคำเมะจึงได้ชื่อว่าเกิดขึ้น จากตัวของบุคคลไม่ใช่เกิดขึ้นจากสถานที่อื่นเราเห็นตามาหรับตาราที่ท่านเขียนเอาไว้นั่นเป็นตำรับตาราของกายของใจไม่ใช่ตัวธรรมะจริงจังตัวธรรมะจริงจังก็คือตัวกเราหญิ่งชาตที่มีชีวิตเป็นอยู่ผู้ที่จะไปสู่ความสุ ข, ขความทุกข์ก็คือบุคคลนี้เอง ไม่ใช่อันอื่นจะไปสู่ความสู่ความทุกข์ไดเมื่อตายใจวุ่นวา ย, ายใจใจคุ้งแคลนในทางวิเลกันแหอจึงเป็นเรื่องแผลเขาเจตัวเองให้ได้รับความลุ่มร้อเราจึงสอนจิตใจของเราแล้วพยายามมีสติ ราคาตราทองอยู่สม่ำเสมอส่วนใรที่เป็นใครแก่กาแก่ใจทั้งส่นถึงเราจะชอบเพราะเคยนึกคิดติดตามเพราะเคยแต่ทำบำเพ็ญส่วนนั้นแต่อันนี้สองรือผลของมันจะเป็นรุกในการคิดการปรุง หรือต่างแต่ทำบาเพ็ญถึงแม้จนทุกในปัจจุบันที่เราได้รับแต่อนาคตผลของมันจะปรากฏเป็นความทุกขขึ้นมาในระยะที่นมกคิดหรือทำอยู่จิตใจของเราทอบจิตใจของเรายังไม่แจมใจสยังไม่เกิดแสงสว่างของธรรม ยิ่งลุ่มหลงยิ่งเพ้อเพลินยิ่งยินดีเหมือนกันกับยาพิษเียกลือนตาลภายนอกหวานแต่ภายในเป็นพิษคนที่ไม่รู้จักแต่เลยดื่มกินไปแต่พอไปถึงท่องถึงไส้ของเรายาพิษจะละลายออกทำกายของเราให้ได้ความเดือดร้อนหรือถึงแก่รม ลมหายตายไปก็เป็นได้ชั้นใดชวามทั่วทั่วไปที่จิตใจของเราหลุ่มหลงก็พอเห็นแต่ความเพลิดเพลินความประหันัด ย, ยินดีต่างๆ แ, แต่ทุกข้างแน่ที่ตัวของตัวจะได้รับไ ม, ม, ม, บม่ได้ล้าลกเมื่ถึงไม่ได้คิดไม่ได้จูงและส่วนเหล่านั้นนี่คือจิตใจของบุคคลที่ยังไม่เข้าไป สูอัดสูรรมย่อมเห็นเรื่องโลกเรื่องนอกเรื่องโลกเรื่องโผเรื่องหลงเป็นท้องดิบท้องดีเพิด เ, เ, เทียนเหมอนขันไปในส่วนนันน้นเป็นไม่มีวันมีเวลาที่จะําราสาสารจิตท่องอยู่ในจิตในใจได้ยินก็ชอบอยากจะฟัง ได้เห the well, so ็นใจชอบอยากจะดูและเมื่อลับจากการได้ดูได้เห็นได้ยินได้ฟังมาั้งบ้านั้งช่องข้องตนก็มาอยากครุงอยากแต่งไปในอารมณ์ส่วนนั้นเลยไม่มีทำเป็นเรื่องรักษาไม่มีทำเป็นเรื่อต่างๆจิตใจจิตใจเมื่อปล่อยมันไปเกี่ยวข้องปล่ยมันไปจิตนึก มากมายแต่กลางเข้าจิตใจของเราจรึงไม่เห็นธรรมจึงไม่มีความรู้ความตลาดทางธรรมไม่รู้จักจะรักษาโดยวิธีใดเดิอนั้ดดนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีสติแต่คับปะคองรักษาจิตรักษาใจของตนให้อยู่ในขอบเขตในวงของธรรมสิงใดที่มันปูงไปติดไปเนตไป ที่เป็นอาชธรรมเป็นสายชั่วให้มีสติรู้ให้มีปัญญาแนะสอตัวเขาตัวสม่นเสมอหากรักษาไวา้หรือมีสติรู้จักเรื่องมันคิดไปมีปัญญาแน่อสอนสม่นเสมอจิตใจี่ตใจตรุงคิดจิตตามเรื่องอ น, นั้น จะนับบันนับเวลาเบาบางลงหรือจิบจางเข้าตาละการถอนของจิตของใจก็ค่อยละค่อยถอนออกไปเพียงนิดทีหน่อยจนถอนที่สุดความนึกคิดที่เราเคยผิดเคยข่งของในสัญญาอารมณ์เงื่อนทั้งโลกต่างหากเราฝึกเรารักษาเราละมัดระวังด้วยสติปัญญาแม่สอนตัวอยู่เสมอแล้ว เรื่องเหล่านั้นนับวันจีดจางไปเราจะทดทวนคิดพิจารณาได้จากตัวของตัวเองว่าแตออ่ก่อนเ่อได้ยินเสียงเธอได้ดูเรื่องต่างๆที่ชาโลกเท่านี้ยมคนชอบกันจนถึงจาว่าอดหลับอดนอนเสียเงินเสียทองเสียขขาเสียขอ ง, ของต่างๆให้จ้างกันมาดูมาฟังแต่สมัย ที่เราเคยฝึกอบรมด่วยสีด้วยธรรมมาแล้วเสียงนั้นนั้นรูปนั้นนัน้ น, น, น, น, นจิตใจพวกที่มีธรรมประจําตัวเคยนึกคิดเคยจิตข้องเคยชอบใจอย่างเตาไหมเราจะสอบตือตัวของเราบไางจากการได้ยินได้ฟังจากการปฏิบัติท่องตัวนี่คือมโนขอ้อละไป ถอนใสทีนีท้ทีหน่อยการประบฤติธรรมหากเราปฏิบัตินำเสมอทีนิท้นทเจอนะมีสติปัญญาแนสอนตัวอยู่ไม่หยุดไม่ถอยความหูความเห็นความเป็นของธรรมจะปรากฏขึ้นเมื่อเราทีนะิ้ทีเจอเนเหมือนกันกับว่าเราทานอาหารจะให้อิม่มในคำแรกทีเดียวไม่ได้จะต้องคานกันไป เรื่อยๆหลายคำเมื่อเราทานอาหารเรื่อยๆไปความอิ่มก็จะคอยโน้นกันขึ้นนิดีหน่อยๆทันที่สุดเพราะอิ่มเต็มที่ถึงจะมีอาหารเต็มภาชนะอยู่ก่อตามก็ไม่อยากรับอิกเพราะความอิ่มในถาดในขันขันใดเรื่องจิตเรื่องใจที่ที่นี้พิจารณาทำละของเรื่องความ โลกความปวดความหลงในโลกต่างๆก็มีในสันนั้นไม่แปลกอะไรกันคือเราที่นี้คิดจานาวันนั้นวันนี้ไม่หยุดไม่ถอยใจของเราจะคอยเจริญเจ้านาในทางธรรมะสม่ําเสมอไปใ น, ในจิตห่องหรือว่าบวมตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นข้องสดข้อเชืิอนี่เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าจะให้เกิดให้เห็นใหน้เจิขึ้นเดืตาอยู่เฉยๆต่อลงมือต่อพชปฏิบัติการตพฤชปฏิบัติต้องมีส ต, ติต้องมีปัญญาจึงจะเรียกว่าความเทียนหรือสันเลขะธรรมคือธรรมสำลักะสาใสยสายชั่วหากเราไม่มีส ต, ติปัญญาที่นี้พิจาณาหรือบริกรรมหรือธรรม อาการอันใดเราจะเดินอยู่ตลอดวันอยางขำแต่ปล่อยใจคลองสนงลอยลมไปสู่ปัญญารมมันอยากนึกอยากคิดอยาก่งอยากแต่อะไรก็ปล่อยมันไปไม่มีปัญญาแม่สอนตัวไม่มีปิติเสพรู้ว่าจิตทุกตัวอยู่กับสิ่งจับถามหรือไปภายนอกถ้าเราปล่อยอยู่อย่างนั้น อาการกิริยาที่เร า, า, านรั่งภาวนาหรือเราเดินจงกรมก็จะไม่เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเป็นเห็นขึ้นจากการกระทาข้างต้นเราทำด้วยมีสติําโดยมีปัญญาถึงจาระยะเวลานิดหน่อยต่อตามผลประโยชน์จากการกระทามันเพ็นของเราจะเห็นไปจัก ในจิตในใจพอเราไม่ปล่อยสัญญาอารมณ์ของใจ่อไปปรุงไปคิดไปเกี่ยวไปข่องกับเรื่องของโลกส่วนใดที่พระพุทธเ จ, จ้าแนะนห้ามเอาไว้ไม่ให้ไปคิดไปปรุงไปทำเราห้ามจิตของเราไว้เมื่อมันนึกคิดไปก็ให้ละอายภายในใจว่าตัวของเรานืคิดนี้ อาจจะมีผูรู้ผู้เข้าใจอย่างน้อยก่พระพุทธเจ้าเป็นาศาสตราซึ่งมีหูมีตาเป็นทิดอาจจะรู้จะเข้าใจเราจิตชั่วอย่างนี้หากมีผู้รู้ผู้เข้าใจว่าเราจิตที่มันคิดไปในทางชั่วเขาจะาหนิเฉียนตัวของเราหรือไม่อย่างนั้นตัวของเราเองก็เสียวามเสียเวลา มไม่เลยทำหน้าที่เชิตส ว, ว่าเรามาทำความผ่าความเทียนมาบวชเป็นพระเป็นชีหรือมารักษาศีลปล่อยจิตปล่อยใจสังคมอารมณ์ภายนอกซึ่งอยู่บ้านอยู่ช่องหรือเขามาเดชเขามาวัดมาวามาอบรมาทางภาวนาเขากลายลึกนึกได้แบบนี้ไม่แปลกอะไรจิตใจที่ปล่อยใจเกี่ยวข้องกับราคาปัญหาต่างๆเหมือนกันตรง ที่ได้แขนถึงรูปลา่างตางตัวของเราจะเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเรายังต่าช้าราโมกออย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าเราเป็นตัดอยู่ดีๆไม่มีศีลไม่มีทรามไม่มีสติไม่มีปัญญาแนะนำสอนตัวทางอ่นเรามีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตใจไม่ปล่อยไปถึงมันผ่านมาหรือเกิดขึ้น แล้วก็มีการหักห้มจิตใจของเราไมา่ไปวิตกไม่ไปนึกคิดในส่วนนั้นเพราะจิดจากคำคำต่างนของพระพุทธเจา้าละอายภายในใจของตอนได้คือว่าเกิดนีริโอตปะคือละอายต่อการคิดในทางชั่วในทางบาปสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่สม่ำเสมอทามชั่วเมื่อเราคิด อะไรชื่อว่าเป็นกรรมอันหนึ่งจึงเรียกว่ามโนกรรมก็ใครเล่าเขาจะมารับกรรมทั่วให้นอกจากตัวของตัวคิดไปทําไปพูดไปเราคอยใจชัดเจนในเรื่องกรรมที่ทําจากกายวาจาใจไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งจะรับให้นอกจากตัวของเราพูดทํา ผู้พูด ผ, ผู้คิดเท่านั้นจะเป็นผู้รับผลท่องจำนั้นเรายอมทีนิทิเจะนะเพื่อพระพุทธเจ้า อ, อย่างชัดเจนภายในจิตในใจว่าตรรมที่ทําลงไปเป็นของของเราเราเองเป็นผู้จะได้รับผลท่องจำห น, นนั้นวเวลาชอบไหมส่วนความชั่วความทุททกข์ยากลําบากต่างๆที่จะเกิดเป็นผลมาให้ จากการทําการผูกการคิดของเราเมื่อเราไม่ชอบเรากอหักห้ามจิตใจของเราไม่ให้คิดไม่ให้พูดไม่ให้ทได้อย่างสะดวกสบายเราต้องอย่างชี่นี้พี่เจรณาใ่้คาดเดียนอย่างนั้นจิตใจจึงจะหักห้ามเอาไวดา้ด <c oughs> ่าหากได้เนื่อสติเตียนอย่างในที่นี้ที่เจรณนาะเราหักห้ามเรื่องจิตใจ แทมยากลาบากเพราะไม่พิจารณาถึงผลว่าตนคงจะเป็นภูรัตส่วนความลําบากในการหักแห่จิตใจเันก็เป็นธรรมดาเป็นความลําบากแต่เพรวว่าได้ผลดีจากการหักแห่เอาไว้ไม่แห่ใจไปปรุงไม่แห่ปากไปพูดไม่แห่กายไปทําส่วนความดี ถึ่แม้ว่าใจของเราจะเนตชอบไม่ยินดีกอบังทับบันชาเพราะว่าเป็นญาพิเศษถึงรสจะขมจะเปียวจากสาดเป็นรสที่ไม่ชอบกับจิวหาแต่สาดของเร า, เราตามแต่เพราะว่าเราทานลงไปโลกไปภายในกายในรับความสบายหรือเหยียดหายจากตายของเราไปเมื่อโลกไปเหยียดหายไปเรื่อง ของตายก็จะต้องสะดวกสบายไปมาสถานที่ใดไ ด, ได้ตามความต้องการหรือเราจะทําการทํางานอะไระก็สะดวกนี่คือโรคภายในกายหากเหยียดหายไปใน่มีโรคอะไรเบียบเดเบียนเราสะดวกสบายนัย่งนอนยืนเดินได้ตามความประสงของเราทันใดเรื่องจิตใจภายในก่อขันนั้นไม่แตกอะไรกันหากเรา ในนีสอนตัวของเราให้จะทามันเป็ น, ล อ, ปอนอลอยไปตามเรื่องภายในนอลอยไปตามเรื่องสัญญาอารมณ์ลอยไปตามเรื่องของที่ เ, เหลือปัญหาจะเป็นผู้นาพาดึงจมูกเราไปแต่เราไม่เด้สนใจว่าเขาจะดึงไปถู่เรื่องอะไรเพราะมันดึงไปก็ตามเรื่องไปเดินตามมันไปสม่ำเสมอเราจะนับวันเยอะตัว มัเป็นตัวของตัวได้เพราะถูกไฟต่ํำ ม, มันซักนํามันดึงเราไปหาเราสอนใจของเราอย่างนั้นถึงความห้ามตั้นเรื่องการเนึกคิดทางจิตทางใจก่อตามห้ามตั้นทางวาจาอยากพูดห้ามตั้นทางกายอยากทําอย่างนั้นอย่างนี้ก่อตามแต่ตัวว่าผลที่ห้ามตั้นนี่เรา ไม่ให้มันไปทําไปพูดไปคิดในส่วนนั้นจะเป็นผลดีเหมือนกันกับเราทานยาที่เหมาะกับโครคไข้ไข้เจ็บของเราถึงจะลำบากก็อุตสาห์บังคับใจของตนให้รับประทานถึงจะลำบากก็ให้บังคับจิตใจของตนให้ทําในทางดีผูดใดพยายาม สอนจิต้อนใจของเนอย่างนี้การทำกามาาดีก็จะมีทวีคูณขึ้นคือมีจำนวนมากขึ้นไม่ปล่อยจิตปล่อยใจาปไปสังคมไปเกี่ยวข้องวกวนตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นองเตนงเตนิดมาแต่เราเลึกๆ อ, อยู่ในขอบเขตคือในศีลในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราทุกคน สนใจและสอนตนอยู่สนาเสมออย่างนั้นเราจะเป็นครูคนหนึ่งซึ่งจะเป็นแบบแผนหรือแม่ทินของคนรุ่นหลังที่เขาเข้ามาหรือเขาสนใจในเรื่องของศีลท่องธรรมพอเราเป็นผู้นําของเด็กของขผู้เกิดใหม่ผู้มาใหม่ผู้ศึกษาใหม่เมื่อเราทําได้เราคุยกได้เยินฉ้น ปรปจากพัดเย็นจากการกระทำบำเพ็ญทองตนว่าทำอย่างนี้หักแห้มอย่างนี้จิตใจจึงเหนรับความสุขความสบายอย่างนี้การปล่อ ย, ยใ จ, ใจิตปลยใจเพื่ใจมาอย่างนั้นแต่ผลเป็นอย่างไรก็ปรปจากใจการหักแห้มไม่ให้คิดไม่เห็นทำไมเห็นพูดถึงลําบากอย่างเดียแต่ผลเห็นไจา ก, กไปรับความสุขอย่างนี้เราจะมีความรู้ความเข้าใจ ในตัวของตัวเองเพราะเป็นตัด จ, จัดต่างหรือเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเอ๋อจากการกระทำบำเพ็ญเคร่งตนผู้ที่ไม่เห็นธรรมแต่เขาวัดเขาวาจันทรินภาวนาบวชเป็นพระเป็นเน อ, อยู่ในศาสนาเพราะเพราะเหตุว่าปล่อยจิตปล่อยใจลอยลมไปไม่มีธรรมหรืไม่มีสติไม่มีปัญญายับยัง้งทีนี้ที่เจรนะ ตั้งตัวเหตุผลที่ผิดถูกชั่วดีนั่นเองหากบุคคลผู้ใดเอาใจใส่ไม่ปล่อยปล่อยละเลยในเรื่องสติในเรื่องปัญญาของตนมันเลิกมันตรงมันพูดมันคิดอะไรทันอยู่ทุกการทุกสมัยรู้จักเรื่องผิดถูกชั่วดีอยู่สม่ำเสมอไปเราก็มีเวลาที่จะแนะสอนใจของเราให้ได้รับ ความสุขความสบายหายละให้ถอนเรื่องชั่วบาเพ็ญส่วนที่ดีทมีคูณขึ้นเป็จนจิตใจเพียงพอบริบูรณ์ในเรื่องดีอย่างชั่วเป็นอย่างไรเข้าใจชัดเจนเห็นใจจับเรื่องความหนุดความพ้นของจิตของใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับขาดกับขันเป็นอย่างไรชัดเจนใจจับนจในจิตที่จะทําบําเพ็ญของสน แล้วก็หมดปัแหาที่ว่าจะมีอะไรอีกต่อไปในตารจร ะ, ะจะดบำเพ็ญในจิตในใจเข้าใจประจกักษ์ชัดเจนเพราะถึงที่สุดแล้วเราต้องรู้จักเหมือนกันกับเราว่าตระทานอาหารถ้าหาเราอิ่มแล้วถึงจะเป็นคนใบน้คนปากไม่ออกหรือเป็นเด็กยังไม่รู้จักภาวะเดียงส า, าอะไรก็ตามหากันอื่ม มันรู้จักจะเอาไปปากให้มันมันก่อรพบบในฉันมาอยู่ม่ชิ้นอีกมันเป็นแบบนี้ธรรมะภายในที่พวกเราท่านตับเพื่อปฏิบัติคือธรรมะทางใจเมื่อถึงที่สุดก็มีในฉันนั้นเหมือนกันรู้จักชัดเจนในตัวของตัวในจอไปถามหูุคนผู้ใดใครผู้หนึ่งว่าความหลุดพ้นเป็นอย่างไรหมดกาน จะทำมุมเพนแล้วหลายอย่างไม่ต้องไปถามบุคคลผู้อื่นเพราะมันเห็นมันเป็นขึ้นจากจิตจากใจที่จะทำมุมเพนเหตุนั้นการต่อพืชปฏิบัติธรรมธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะมากมาไกยกองจะเทอญต่อตามก็คือการสอนจิตสอนใจของเราสอนตัวของเราเราคนเดียวเท่านั้นจะเป็นผู้ต่อพืชปฏิบัติตามคำธรรมสั่งสอนของท่าน ส่วนบุคคลผู้อื่นเป็นหน้าที่ของเขาสุก็เป็นเรื่องของเขาทุก็เป็นเรื่องของเขาได้เสียเป็นเลืองของเขาส่วนของเราเป็นอย่างไรนี่เป็นหน้าที่ที่ควรสนใจควรจับน า, น, จนามาทีนพิจารณาปัจจุบันทุกวันนี้มีชั่วขนาดไหนยังอะไรที่ขัดที่คล้อยังอะไรที่ยังสงสัยในจิตในใจมันที่นพิจรารณามันก็ทํำมำเทียนลงไปเนี่ย เรารู้เราเข้าใจคัดเกนในส่วนเหมนั้นความสงสัยจะหายไปตกไปหมดไปเพราะความเห็นความเปลียนเกิดขึ้นในภายในมีใน ใ, นใจของตนถ้าหาเพียงแต่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่ลงมื อ, อปฏิบัติปฏิบัติไม่เกิดไม่เห็นไม่เป็นขึ้นในตัวของตัวจะให้หายสงสยัยเรื่องปัญหาของใจนั้ น, น, นไม่มีวันมีเวลาที่จะหายสงสยัย เ่าะเรื่องสัญญาจำมาเยะ้ะวก็หลงเดี๋ยกวยกว็รู้เพราะสัญญาเป็นอนิจจะไม่เป็นขอเที่ยงเดียวก็เกิดเดีะวก็ดับเป็นอยู่อย่างนั้นควนธรรมที่แน่นอนชัดเจนไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีอนิจจังไม่มีทุกขงังไม่มีอนัตตาแต่จับอยู่ในจิตในใจของท่าน สม่ำเสมอไปอ น, นิีจังคือความแปรปวนเปลี่ยนแปลงของจิตของตายหรือของวัตถุต่างๆส่วนธรรมนั้นมีการแปรปวนเปลี่ยนแปลงอย่างไรนับแต่วันรู้วันเข้าใจมาอาการที่ว่าไม่ไว้ใจหรือต่อแสดงไปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากรู้ถึงที่สุดจริงจังท่านผู้รู้ผู้เข้าใจ จะประจักษ์ในท่านว่าไม่ใช่อันนี้จังคือไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการแปลงไม่มีการเสื่อมไม่มีการเจรญเป็นเรื่องผิดคงที่ไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีไปไม่มีอยู่สมมติขั่วไปในปลายโลกแต่ธาตสมมติไม่ถึงเพราะเหตุใดปไปจักรในใจของผู้ปฏิเสธปฏิบัติทุกเมื่อถึงคื่สุดอย่างนั้น มีความอยากอะไรก็ไม่ปรากฏในความบริสุทธิ์อันนั้นทุกครังจร่งไม่มีในความบริสุทธิ์ขอนนงท่น า, า, าอนอนัตตาจ่ิงได้ใส่ตัวใส่ตนใส่จักใสบุค ค, คลใส่เราใส่เขาอะไรเป็นอนัตตาเหุ่นั้นเป็นอนตาและเป็นอนัตตาในนี้โยมท่านเข้ยใจประจากษ์ครับเพียน แต่ว่าอัตตาก็ไม่ใช่แต่ว่าอนัตตาก็ไม่ใช่เป็นธรรมที่ตาจับในตัวของฉันไม่มีการไม่มีสมัยไม่มีการตายการอยู่ไม่มีการเสื่อมการเจริญไม่มีการเกิดการดับเรียกว่าอนัตตาดย่างไร